จุป น, นาตีตะวาระอนุโลมบุคคลจะคุณธริยะมูลกะในส3 5อสหอนุจะคุณสีของบุคคลใดกำลังเกิดโสตินรีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโสตินสีของบุคคลใดเคยเกิดจะคุณสีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจกักรเกิดไม่ได้กาลังอุบัต โสตินรียของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่จากขุนรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจากขุเกิดได้กำลังอุบัติโสตินรีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและจากขุนซีก็กำลังเกิดอนุจาขุนซีของบุคคลใดกำลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิคานินรียของบุคคลใดเคยเกิดจากขุนซีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิ บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจักขูเกิดไม่ได้กําลังอุบัติคาเนนซีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่จักขุนสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักขู่เกิดได้กําลังอุบัติคาเนนซีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและจักขุนสีก็กําลังเกิดอนุจักขุนสีของบุคคลใดกําลังเกิดเอถินศีปุริสินศีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ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 และจากขุนสีขัวกำลังเกิดอนุจากขุนสีของบุคคลใดกำลังเกิดโสมนสินศีอุเบกินสีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิอุเบกินสีของบุคคลใดเคยเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติอุเบกินศีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิด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 บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจักขคู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติมณียีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่จักขุนศีไม่เช่ยงกำลังเกิดบุคคลผู้มีจกมักรคู่เกิดได้กําลังอุบัติมณีศีของบุคคลเหลา nuclear. Nuclear. ่านั้นเคยเกิดและจักขุนศีก็กําลังเกิดจักขุนทรียะมูลกะในจบขานินทรียะมูลกะใน336อนุขานินจีของบุคคลใดกําลังเกิด หิิ์สินสีปุริสินรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิปุริสินรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดคาณินรียของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติปุริสินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่คาณินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติปุริสินรียของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิด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 บุคคลผู้มีคานาเกิดได้กำลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและคานินทรีย์ก็กำลังเกิดอนุคานินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดโสมนสินทรีย์อุเปกขินทรียีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิอุเปกขินทรียีของบุคคลใดเคยเกิดคานินทรียีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติ บุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติอุเปกินรีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่คานินซีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติอุเปกินรีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและคานินซีก็กำลังเกิดอนุคานินซีของบุคคลใดกำลังเกิดสัตถินรีปัญญินซีมณินซีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ เมื่อินทรียของบุคคลใดเคยเกิดคาณินทรียของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุตติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติเมื่อนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่คาณินทรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติเมื่อนินทรีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและคาณินทรียก็กําลังเกิดคาณินทระยะมูลกะในจบ อิจฉิริยะมูลกะในส้ยสามสิบอนุอิจินสีของบุคคลใดกำลังเกิดปุริสินรีย์ของบุคคล น, นั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิปุริสินรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดอิจฉินรียของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กนนุอุบัติปุริสินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิด แต่อิทินซีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติบุรีสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและอิทินรียก็กําลังเกิดอนุอิทินรีย์ของบุคคลใดกําลังเกิดชีวิตสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิชีวิตสินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดอิทินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติ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 อิจิณทริยะมูลกะในจบปุริสินทริยะมูลกะในสามร้อยสามสิอนุปุริจิณสีของบุคคลใดกำเนังเกิดชีวิตจินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิชีวิตจินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดปุริสิณสีของบุคคลนั้นก็กำเนังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำเนังจุติบุคคลผู้มีปุริสะเกิดไม่ได้กำเนังอุบัติ ชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ปุริสินร์สีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสจเกิดได้กาลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและปุริสินร์สีก็กำลังเกิดอนุปุริสินร์สีของบุคคลใดกำลังเกิดโสมณสินร์สีอุเปขินทร์สัสะทินทร์สีปัญญินทร์สีมณินทรียีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ มนินิจของบุคคลใดเคยเกิดปุริสินีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีปุริจจะเกิดไม่ได้คํานองอุบัติมนินทริจของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ปุริสินีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีปุริจจะเกิดได้คํานองอุบัติมนินทริจของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและปุริสินีก็กําลังเกิดปุริสินทริยะมูลกะในจก ชีวิตินทริยมูลกะในสาม้อสามสอนุชีวิตตินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดโสมนัสสินรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโสมนัสสินรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดชีวิตตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพัง ข, ขณะแห่งจิตในประวัติการโสมนัสสินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิด แต่ชีวิตินทรียีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทัณะแห่งจิตในประวัติการโสมณสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและชีวิตินทรียีก็กำลังเกิดอนุชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดอุเปขินทรียีสัตทินทรีย์ปัญญทรียีนมนินทรียีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิด ชีวิตินรียของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังธขณะแห่งจิตในประวัติการมนณีศีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทาขณะแห่งจิตในประวัติการมนรียีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและชีวิตินทรีย์ก็กาลังเกิดชีวิตินทรียามูลกะในจบ โมสมนัสสินทริยมูลกระในส้ยสี่สิอนุโสมนัสสินรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดอุเปกินรียของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิอุเปกินรีของบุคคลใดเคยเกิดโสมนัสสินรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัณะแห่งจิตที่วิปยุตจากโสมนัสบุคคลผู้เข้านิโรธัสมาบัต และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญเนัต ภ, ภูมิอุเปกินรีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่โสมนัสสินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมนัสกำลังอุบัติในอุปาทขณาแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสในประวัติการอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและโสมนัสสินสีขอ้อกำลังเกิดอนุโสมนัสสินสีของบุคคลใดกำลังเกิดสะทินรีปัญญินรีย์ มณินรียีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมณินีสีของบุคคลใดเคยเกิดโสมนสินรีของบุคคล น, น, นั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในพังกัคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากโสมนัสบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภู expired. มิมณินีสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่โสมนสินรีไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลมีจิตเป็นโสมณัต ก, กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัตในปวัติการมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและโสมณัสินสีก็กำลังเกิดโสมนัสินธริยามูลกะในจบอุเปคินทริยามูลกะในสาม้อยสี่สิบเอ็ดอนุโอเปคินสีของบุคคลใดกำลังเกิดสัตทินรีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่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 ในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยอุเบกขาในประวัติการสถินรียของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและอุเบกินสีก็กำลังเกิดอนุอุเบกินสีของบุคคลใดกำลังเกิดปันยินรียมณินรีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมณินรีของบุคคลใดเคยเกิดอุเบกินรีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในอุปาทขณะแห่งจิต ท, ที่วิปยุติจากอุเบกขาบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอัญญศนิสสตา ภ, ภูมิมนิรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่อุเบกขินีสไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิต ท, ที่สัมปยุติอุเบกขาในประวัติการมณีสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและอุเบกขินีสก็กำลังเกิด โคเบคเขียนทริยะมูลกะในจบสถินทริยมูลกะในสามอยสี่อนุสัถินสีของบุคคลใดกําลังเกิดปัญญินสีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิปัญญินสีของบุคคลใดเคยเกิดสัถินสีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากศรัทธา บุคคลผู้เข้านโรธาสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิปัญญีสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สัจทินรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นเหตุกะกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยศรัทธาในประวัติการปัญญีสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสัจทินรียก็กำลังเกิดอนุสัจทินรียของบุคคลใดกำลังเกิดมนิณีสีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหม วิชัยปฏิมนินทร์สีของบุคคลใดเคยเกิดสัตทินทร์สีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากศรัทธาบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสัญญสัตตภูมิมนินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สัตทินทร์สีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้เป็นเหตุถูกะกําลังอุบัติ ในอุปาทคณะแห่งจิต ท, ที่สัมพยุตด้วยศรัทธาในประวัติการมนินทรียีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสัจทินรีก็กำลังเกิดสัจทินทริยะมูลกะในจบปัญญินทริยะมูลกะนสาม้อยสสิาอนุปัญญินรีของบุคคลใดกำลังเกิดมนินรีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนินรีของบุคคลใดเคยเกิด ปัญญินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทคณะแห่งจิตที่วิปยุจจากยานบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุปาจุอยู่ในอสัญญิสัตตภูมิมัินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ปัญญินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุ์กําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุจด้วยยานในประวัติการ มรียีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและปัญญรีก็กำลังเกิดปัญญทริยะมูลกะในจบอนุโลมโอกาสจากขุนทริยะมูลกะในส4 4สสิบอนุ จะขุนศีในภูมิใดกำลังเกิดโสตินศีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมอนุโลมปุคโลกาจกขุนทริยะมูลกะในสามอยสี่าอุนุจะขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดโสตินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาสภูมิจกขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิด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 จากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่คานินศีไม่เคยเกิดบุคคลผู้มีจักรขูเกิดแตดกกำลังอุบัติในกาลมวจรภูมิจากขุญศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและคานินศีก็เคยเกิดปฏิคานินศีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กาลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กาลังจุติจากกามาวจรภูมิ บุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามวจรภูมิคาณินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จกักขุนสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขู่เกิดได้กำลังอุบัติในกามวจรภูมิคาณินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจกักขุนสีก็กำลังเกิดอนุจกักขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดอิทินสีปุริรสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหม วิบุคคลผู้กำลังอุบัติในรูปาวจรภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่ปุริสินศีไม่เคยเกิดบุคคลผู้มีจักรเกิดได้กำลังอุบัติในกรามาวจรภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและปุริสินศีก็เคยเกิดปฏิปุริสินศีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจากขุนีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้กำลังจุติจากกลามาวจรภูมิบุคคลผู้มีจักผุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกลามาวจรภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จักขุนสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักผุเกิดได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจักขุนสีก็กำลังเกิดอนุจักขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิด ชีวิตินทรีซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาสภูมิจากขุนรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่ชีวิตินทรีซีไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจากขุเกิดได้กาลังอุบตัติจากขุนรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและชีวิตินทรีซีก็เคยเกิดปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด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 จากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและสัตทินรีก็เคยเกิดปฏิสัตทินรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจ้าโอการภูมิบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้กันังอุบัตในกามาวจรภูมิและอรูปภูมิสัตทินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่กำลังเกิด บุคคลผู้มีจักรผูเกิดได้กำลังอุบัติสัตทินทรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจักขุนศีก็กำลังเกิดอนุจักขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดปัญญินรีย์มณินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาสภูมิจักขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่มณินทรียไม่เคยเกิด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 มณีศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จักขุนสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้กําลังอุบัติมณีศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจักขุนสีก็กําลังเกิดจักขุนทริยะมูลกะะในจบขานิทริยะมูลกะในสามร้อยสี่สิบหอนุขานิศีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิด อิทินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิอิทินรียของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคาณินทรีย์ของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิ บ, smiled, บุคคลผู้กำลังจุติจากกางมวจรภูมิบุคคลผู้มีคาณะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจากกางมวจรภูมิอิทธินีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คาณินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด บุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติอิถธินิสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคานิรีย์ก็กำลังเกิดอนุคานินรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดปุริสินีสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิปุริสินีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคานินรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้กำลังจุติจากกามวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามวจรภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คานินรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคานินสีก็กำลังเกิดอนุคานินรีของบุคคลใดในภูมิดกําลังเกิด ชีวิตินทรียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิชีวิตินทรียีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคาณินทรียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีคาณะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คาณินทรียีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคาณะเกิดได้กำลังอุบัติ ชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดและคาเนนรีย์ก็กำลังเกิดอ น, นุคาเนนรียของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดโสมณสินทรียีของบุคลลบคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโสมนณสินทรียีของบุคค ล, ลใดในภูมิใดเคยเกิดคาเนนรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากการมวจรภูมิ บุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในคามาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิโสมนัสินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คานินซีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติโสมนัสินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคาเนนซีก็กำลังเกิดอนุคานินซีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิด อุปเเกหินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิอุเปบกหินรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคาเนินสียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากกาลมาวจรภูมิบุคคลผู้มีคาณะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกาลมาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิอุเปบกหินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด แต่คานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติอุ Allah, เปบกิกกนรียของบุคคลเหล่นนนนานั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคานินทรียก็กำลังเกิดอนุคาเนนรียของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิดสัตทินรียปันยินรียมนินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนินทรียของบุคคลใดในภูมิใดาเคยเกิด คานินรียของบุคคลนั <im it 2022> <im> ้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีคาเนเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูบาวจรภูมิและอรูบาวจรภูมิมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคาเนเกิดได้กำลังอุบัติมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด และขานินสีก็กําลังเกิดคขานินทริยะมูลกระในจบอิทินทริยะมูลกะในสามร้อยสี่สิบเจ็ดอนุอิทินสีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดปุริสินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิปุริสินรียของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอิทินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิ ด, กด blij. ใช่ไหมวิ บุคคลผู้กำลังจุติจากการมวจรภูมิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในการมวจรภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อิทธินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติป <im> ุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูม <lleicht S 2> ินั้นเคยเกิดและอิทธินสีก็กำลังเกิดอนุอิทธินสีของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิด ชีวิตินทร์สีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอิทินทรียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากกางมวจรภูมิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กันมาอุบัติในกลามวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ ชีวิตินทรียรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อิทิินทรียรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติชีวิตินทรียร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและอิทิินทรียีก็กำลังเกิดอนุอิทินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด อิทธิฉนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากฟรามาวจรภูมิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กำลัอุบัติในฟราหมาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อิทธิฉินสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด และอิจฉินศีก็กำลังเกิดอนุอิจฉินศีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดอุเบกินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิอุเบกินศีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอิจฉินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากกรรมาวจรภูมิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กำังอุบัติในกรรมวจรภูมิ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อิทินรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติอุเบกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและอิทินรีก็กำลังเกิดอนุอิทินรีข อ, องบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสัททินรีปัญญินรีมะนินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหม วิใช่ปฏิมนินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอิทินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากกาโมวจรภูมิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกาโมวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อิทธินทรียไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติมนณีศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและอิทธินีก็กําลังเกิดอิทธินทิทริยะมูลกะในจบปุริศินทิทริยะมูลกะในสามร้อยสี่สิบปดอนุปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดชีวิตินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ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 ชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและปุริสินทร์สีก็กำลังเกิดอนุปุริสินทร์สของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดโสมนัสสินทร์สีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโสมนัสสินทร์สของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปุริสินทร์สของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากการมวจรภูมิ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 อุปขเบกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิอุปเเบกินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากกา마วจรภูมิบุคคลผู้มีปุริสจาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจางกา마วจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอในรูบาวจรภูมิและอรูบาวจรภูมิ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 มนินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและปุริสินทร์สก็กำลังเกิดปุริสินทรียามูลกะในจบชีวิตตินทรียามูลกะในสามร้อยสี่สิบเก้าอนุชีวิตติทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดโสมนสินทร์สีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งอุปาติจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิ บุคคลผู้กำลังอุบัติในอสัญญสัตตภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่สมณสินร์สีไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้กำลังอุบัติในจัตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในอุปาทคณะแห่งจิตในปวัติการชีวิตินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและสมณสินร์สีก็เคยเกิดปฏิสมณสินทร์สีของบุคคลใดในภูมินใดเคยเกิด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 สมมนสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและชีวิตินรีย์ก็กำลังเกิดอนุชีวิตินทรียของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดอุเบกินสีของบุคลลคล น, น, นั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้กำลังอุบัติในอสนัญญสัตภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่อุเบกินรียไม่เคยเกิด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 ในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ชีวิตินทรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในจัตุวการภูมิและปัญจวการภูมิในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการอุเบกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและชีวิตินรีก็กำลังเกิดอนุชีวิตินทรีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดจะทินรีปัญญินรี มณีนีรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาสภูมิและบุคคลผู้กําลังอุบัติในสัญญสัตภูมิชีวิตินีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่มณีนีรีไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้กําลังอุบัติในจตุโวกาลภูมิและปัญจโวกาลภูมิในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการชีวิตินีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิด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 ในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการมนนิทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและ ช, ลชีวิตินทรีย์ก็กําลังเกิดชีวิตินทรีย์มูลกะในจบโสมณสินทรีย์มูลกะในสามร้ 350. อยห้าสิบอนุโสมณสินรีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดอุเบขินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ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 อุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและโสมนสินสีก็กําลังเกิดอนุโนสมนสินสีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสัตถินสีปันยินรี์มนินทรี์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมณินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดโสมนสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิ ในพังคขะขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากโส ม, มนัสมรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่โสมนัสสินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมนัสกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยโสมนัสในปวัติการมนนิทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและโสมนัสสินสีก็กำลังเกิดโสมนัสสินธริยมูลกะในจก อุเปกินทรีย์มูลกะในสามร้อยห้าสิบเอ็ดอนุอุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสัตตินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาสภูมิอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่สัตทินสีไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้มีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติ ในอุปาทคขณะแห่งจิตที่สัมปยุธทธ์ด้วยอุเบกขาในประวัติการอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและสัสสสตทินรียก็คเคยเกิดปฏิสัตทินซีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอุเบกินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในพังคคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุทธิจากอุเบกขาสัตทินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด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 อุเบกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่ปัญญินรีไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้มีจิตเป็นอุเบกขากําลังอุบัติในอุปาทภณะเห่งจิตที่สัมปยุทธิอุเบกขาในประวัติการอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและปัญญินรีก็เคยเกิดปฏิปัญญินรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอุเบกินสีของบุคคลนั้นในภ<ล>ูมินั้นก็ก <ใน S 2> ําลังเกิดใช่ไหมวิ ในพังคัขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากอุเบกขาปัญญีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเกิดเกิดแต่อุเบกหินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทัศขณะแห่งจิตที่สัมปยุจด้วยอุเบกขาในประวัติการปัญญิีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคเกิดและอุเบกขินสีก็กำลังเกิดอนุอุเบกหินรีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิด มณีนิสียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาสภูมิอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่มณีนิสียไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้มีจิตเป็นอุเบกขากิดมาอุบัติในอุปาทาขณะแห่งจิตที่สัมปยุติโดยอุเบกขาในปวัตถุการอุเบกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและมณีนิสัยก็เคยเกิดปฏิ มนินีสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอุเบกินีสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในพังรักขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัคขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากอุเบคามนินีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อุเบกินีสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบคากำลังอุบัติในอุปาทัคขณะแห่งจิตที่สัมปยุจด้วยอุเบคาในประวัติการ มนิรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและอุเปกินรีก็กําลังเกิดอุเปยขินทริยะมูลกะในจบสถินทริยะมูลกะในสาม้อยห้าสิบสองอนุสถินศีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดปัญญรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาสภูมิสถินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิด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 ในอุปาทคณะแห่งจิตที่วิปยุจจากศรัทธาปัญญินีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สัจทินสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้เป็นเหตุตุกะกําลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งจิตที่สัมปยุจด้วยศรัทธาในประวัติการปัญญิีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสัจทินสียก็กําลังเกิดอนุสัจทินสียของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิด มณีนียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุดทาวาสภูมิจตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่มณินรียไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้เป็นเสเหตุกระกำลังอุบัติในอุปาทาขณะเห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยศรัทธาในประวัติการจตินทียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและมณินทียก็เคยเกิดปฏิ มื่อนรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสัจจินทรจ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัคณาแห่งจิตที่วิปยุจจากศรัทธามืิอนรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สัจจินจ์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นเสหตุกะกำลังอุบัติในอุปาทัคณาแห่งจิตที่สัมปยุจด้วยศรัทธาในประวัติการมืินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิด และสัตทินรีก็กำลังเกิดสัททินทริยมูลกะในจบปัญญทรียมูลกะในสามรอยห้าบสาอนุปัญญินรีของบุคคลใดในภูมใดกาลังเกิดมนินรีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุท่าว่าสภูมปัญญินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่มณินรีไม่เคยเกิด บุคคลนอกนี้ผู้เป็นยาณสัมปยุทธกาลังอุบัติในอุปาทัขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธด้วยยาณในปวัติการปัญญีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและมณีสีก็เคยเกิดปฏิมณีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปัญญีสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุทธจากยาณ มณนิสียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ปัญญินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตกำลังอุบัติในอุปาทัณะแห่งจิตที่สัมปยุต ด, ด้วยญาณในปวัติการมนินิสียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและปัญญินสีก็กำลังเกิดปุริชินทริยมูลกะในจก